มีร้านขนมปังอยู่ร้านหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่ทุกคนอยู่อาศัยกันด้วยความเอื้ออารีต่อกันมีน้ำใจให้แก่กันมีอะไรก็แบ่งปันกันยิ้มแย้มให้กันแต่ถ้าพูดถึงร้านขายขนมปังนี้ร้านขายขนมปังนี้กลับเป็นร้านที่ขายขนมปังไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของร้านขนมปังนี้ทาขนมปังไม่อร่อยก็เป็นได้เจ้าของร้านขนมปังเนี่ย มักจะบ่นกับตัวเองเสมอว่าทำไมขนมปังที่ข้าทำมันไม่ได้ดังใจเลยเสียงเกลี้ยวกราดดังขึ้นพร้อมกับขนมปังที่ลอยเรี่วออกนอกดาดัางเอามันไปทิ้งเดี๋ยวนี้ขาดไปตรงการมันคนทำขนมปังตะโกนบอกภรรยาที่กำลังกอดลูกอยู่อีกมุมหนึง่งด้วยกลัวนิดเดชของสามีเวลาทำขนมปังไม่อร่อยเขาจะเป็นอยู่อย่างนี้ทุกครั้งเวลาทำขนมปังไม่ได้ดังใจจนทำให้ภรรยาและลูกหวาดผวาไปตามๆกัน ภรรยาของเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเหตุใดสามีจริงเป็นเช่นนี้ทั้งที่ความจริงแล้วสามีเป็นคนใจดีมีน้ําใจแต่เวลาทําขนมปังมักจะอารมณ์เสียทุกครั้งเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนมาซื้อขนมปังน้อยทําให้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ที่มีอาจจะเป็นได้แล้ววันหนึ่งก็มีผู้ดุรอเวดาตัวจิว๋วตนหนึ่งมาปรากฏกายให้คนทําขนมปังเห็นพร้อมกับบอกว่า ข้าจะมาขออาศัยอยู่ในตู้อบขนมปังได้ไหมและจะทำให้ขนมปังของเจ้า อ, อร่อยแต่คนที่ได้กินขนมปังจะไม่มีความสุขนะแต่เจ้าจะขายดีมากๆเชื่อข้าเถอะถ้าใครได้ชิมแล้วและตัวของเจ้าเองก็ห้ามกินขนมปังที่ตัวเจ้าทำเองด้วยนะเพราะดูแล้วตัวเจ้าเองก็ไม่มีความสุขอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งแย่ไปใหญ่คนทาขนมปังก็ถามว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วถ้าท่านไปอยู่ในตู้อบอ่ะมันจะไม่ร้อนเหรอ ขนมปังมันยังสุกเลยนะเจ้าเทวดาหรือผู้จิ๋วก็เลยบอกว่าข้าชินกับอุณหภูมิอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกข้าไม่ใจ๊คนนะอย่าลืมสิมันไม่ร้อนมากมายขนาดนั้นหรอกเมื่อคนทําขนมปังได้รับฟังข้อเสนออย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าเมื่อคนกินขนมปังไปแล้วจะไม่มีความสุขก็ตามเขาก็ยอมตกลงตรงใจกับผู้จิ๋วตนนั้นและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผู้ตัวจิ๋วก็อาศัยอยู่ในตู้อบ และคนทําขนมปังก็สามารถทาขนมปังออกมาได้อย่างที่เขาไม่เคยทามาก่อ น, ม, นอมีกลิ่นหอมกลุ่นเนื้อแป้งหนานุ่มฟูได้ที่และเกินดูและน่ากินเป็นอย่างยิ่งเขามีความสุขกับการทําขนมปังมากแล้วเขาก็เริ่มทยอยนาขนมปังออกมาขายให้กับเพื่อนบ้านตอนแรกเขาก็แจกให้กินก่อนเลยคนละหนึ่งชิ้นคนละ1ชิ้นเป็นการโปรโมทสินค้าพอเพื่อนบ้านต่างได้ชิมเท่านั้นแหละก็รู้สึกติดอกติดใจไปอย่างมาก เฮ้ย e, ขนมปังอะไรเนี่ยเกิดมาไม่เคยกินเลยเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนไปวิ่งอยู่ในทุ่งข้าพูดสาลีอะไรอย่างนั้นเลยจากทุกบ้านที่เคยมีความสุขต้องมาเจอกับความวุ่นวายกับขนมปังที่เมื่อใครได้กินแล้วไม่มีความสุขก็เกิดขึ้นเริ่มจากครอบครัวของคนทํารองเท้าซึ่งเคยมีความสุขกับการทํารองเท้าเขาทํารองเท้าออกมาแต่ละคู่เป็นที่ถูกใจเป็นยิ่งนักผู้คนต่างไหลเข้ามาซื้อรองเท้าของเขามากมายแต่เมื่อเขาได้กินขนมปังที่ภรรยาเขาซื้อมาให้ เขาทำให้เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเขาเริ่มโมโหโตทา่าด่าทอภรรยาและลูกจนทำให้คนในครอบครัวไม่มีความสุขรองเท้าที่เขาทำขึ้นจากนั้นก็เป็นรองเท้าที่ไม่ดีไม่เป็นที่ถูกใจของคนในครอบครัวกับลูกค้าของเขาคนหาปลาก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันแต่ละครอบครัวจึงมีการทะเลาะเบาแหว้งพ่อแม่ลูกเริ่มไม่เข้าใจกันแต่ก็จะมีแต่ครอบครัวของคนขายขนมปังเท่านั้นที่มีความสุข เพราะพวกเขาไม่ยอมแต่ต้องขนมปังที่ตัวเองทําขึ้นมาเลยวันหนึ่งคนทํรองเท้าคนหาปลาและคนที่กินขนมปังได้มาชุมนุมกันหน้าบูดหน้าบึ้งมาคุยกันเลยว่าเฮ้ยสาเหตุของการเกิดความวุ่นวายมันคืออะไรกันทำให้พวกเรารู้สึ ก, กงุดงิดุ่นงานกันเหลือกเกินและระหว่างนั้นเองบังเอิญคนขายขนมปังเดินผ่านมาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเพราะวันนี้เขาขายขนมปังหมดอีกแล้ว ทำให้พวกที่ชุมนุมกันอยู่นั้นเกิดความอิจฉาคนขายขนมปังหันไปมองแล้วก็ชี้ว่าทำไมไอ้นั่นมันยิ้มออกได้พวกเรายิ้มไม่ได้เลยแปลกแฮะรู้สึกอยากจะหน้าบึ้งหน้าตึงอย่างนี้ละเกินไม่เข้าใจเลยคนทำรองเท้าจึงเอ่ยขึ้นว่าเราทั้งหมดไม่มีความสุขแต่คนทําขนมปังมันมีความสุขทําไมดูเขามีความสุขในขณะที่เราไม่มีความสุขเลยหน้าตามันก็ยิ้มแย้มได้ด้วยเรายิ้มไม่ได้เอาอย่างนี้อย่าช้าอยู่ใหญ่ พวกเราไปเผาบ้านมาเลยดีกว่าแน่ความคิดของคนไม่มีความสุขมีทุกข์มันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วทุกคนก็วางแผนไปเผาบ้านของคนทําขนมปังทันทีคืนนั้นเมื่อบ้านถูกเผาไฟก็ลามเลียไปยังตู้อบขนมปังทําให้เจ้าผูดตัวจิ๋วก็ดอนออกมาจากตู้อบขนมปังแทบไม่ทันเจ้าผูดตัวจิ๋วรู้สึกตกใจมากแต่โกนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮยไอ้คนทําขนมปังข้าทนความร้อนในเตาอบได้นะแต่ไฟร้อนมากขนาดนี้ไม่ไหวแหละเพ้นก่อนแล้วกัน เมื่อพูดตัวจิว๋วเพ่นออกจากหมู่บ้านทุกคนที่วางเพรีงเผาบ้านคนทําขนมปังก็เริ่มรู้สึกตัวเฮ้ยพวกเรามาทำอะไรกันเนี่ยเอ้ยพวกเราทําไมเผาบ้านเขาเนี่ยต่างคุยกันจองแจ็คจอแจทุกคนต่างตัช่วยกันคนลไม้คนลมือเพื่อที่จะลงมือดับไฟกันคนทํารองเท้าก็ตะกูลว่าทําไมพวกเรามาเผาบ้านคนทําขนมปังน่ะฮะในเมื่อก็เป็นคนดีเขาแจกขนมปังให้เรากินเราก็กินและพวกเราก็เป็นคนดีดีว่า ทุกคนก็จ้าละวันกันช่วยหาน้ำมาดับไฟดับไฟดับไฟสุดท้ายก็ดับไฟได้แต่ก็ถือว่าเสียหายไปมากเหมือนกันตู้อบขนมปังกับในครัวแทบจะสูญสิ้นไปหมดจากนั้นทุกคนจึงมาชุมนุมกันว่าทำไมพวกเรากลายเป็นคนอย่างนั้นกันได้ไปเผาบ้านเขาทําไมพวกเราควรจะช่วยกันสร้างบ้านให้คนขายขนมปังใหม่ดีกว่าความสุขจะได้กลับคืนมาสู่หมู่บ้านของพวกเราอีกคนขายขนมปังได้แต่นั่งนิ่งคอตก แล้วก็เอ่ยกับคนที่ชุมชนว่ามันเป็นความผิดของเขาเองที่เขาเห็นแก่ตัวเขาเห็นแก่ได้โดยลืมนึกถึงมิตรภาพอันดีจากเพื่อนบ้านความมีน้ำใจของทุกคนที่มีให้เขาเขาขอสำนึกผิดเขายอมรับผิดจะลงโทษจะลงทันจะด่าว่าเขายังไงก็ได้แล้วเขาก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ตัวจิว๋วกับขนมปังให้ฟังชาวบ้านได้ฟังก็บอกว่า โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่เป็นไ้หรอกพวกเราไม่ถือสาหรอกพวกเราจะช่วยกันสร้างบ้านใหม่ให้ท่านและกันและบ้านหลังใหม่ของครอบครัวคนทำขนมปังก็เสร็จเร็วทันใจเพราะทุกคนในหมู่บ้านต่างร่วมแรงร่วมใจกันความสุขก็กลับมาเอิ้ออาบไปทั่วหมู่บ้านอีกทุกคนดำเนินชีวิตไปด้วยความสงบสุขมีอะไรก็แบ่งกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนคนทาขนมปังก็มีความสุขกับการทาขนมปัง ถึงแม้บางวันจะทำขนมปังได้อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างมีคนมาซื้อบ้างไม่ค่อยมีคนมาซื้อบ้างก็รู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วมันเป็นหน้าที่ของเขาเองที่จะต้องพัฒนาฝีมือและปรับปรุงรสชาติเพื่อให้ถูกใจของผู้บริโภคมันไม่เกี่ยวกับจะต้องขอโชคลาภหรืออำนาจวิเศษใดๆเลยอีกทั้งเพื่อนบ้านที่เป็นลูกค้าก็มาแนะนําสูตรให้เขาเรื่อยๆว่าควรจะทําอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นสุดท้ายขนมปังของเขา ค่อยๆ อ, อร่อยขึ้นจากความพยายามและตั้งใจของเขานั่นเองเสียงโห่เราะเบิกบานของเด็กๆ ก, ก็ดังกังวานไปทั่วหมู่บ้านความอบอุ่นในครอบครัวแผ่ซ่านไปทุกอนูกินของขนมปังก็ลอยอบอุ่นไปทั่วทั่วความสุขล้วนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้อีกแล้วตลอดการนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเห็นแก่ตัวที่มากเกินเมื่อสิงอยู่ในร่างผู้ใดมันก็มักจะทําให้ผู้นั้นกลายเป็นปีาศาจร้ายที่คอยจออ้องคือบหมชีวิตผู้อื่นแต่สุดท้าย มันก็จะกัดกินผู้เป็นเจ้าของของมันเองได้เช่นกันครับนิทานสอนใจวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ